มีสี่อย่างคือยาวากาลิศหนึ่งยามะการิศหนึ่งสัตตาหากาลิศหนึ่งยาวะชีวิตหนึ่งลำดับดังนี้ตามบุพสิกขาจะจะกล่าวยาวะชีวิตก่อนเพื่อจะให้วินิจฉัยง่ายเพราะจะกล่าวให้พิดารกว่าบุพสิกขาสักหน่อยหนึ่ง ยาเกิดแต่ต้นไม้ต้นยาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้เป็นเขาเดิมห้าอย่างคือรากน้ำป่าใบผลยางเป็นหกทั้งเกลือด้วยชื่อว่ายาวะชีวิตก็คือประกอบด้วยการตลอดชีวิตตรากไม้เป็นยาที่ทรงอนุญาตนั้นหาลิดดังขมิน้นสิงขเวรังขิง วัจังว่านน้ำวัจัดถังว่านเปาะอติวิสังอุตพิสตุกรโรหินีพาปุสีรังแฝกพั ด, ดะมุตตกังแห้วหมูเป็นแฝดสิ่งใช่แต่หัวรากเถาแห่งของแฝดสิ่งนั้นอย่างเดียวหาไม่แม้ต้นและเปลือกและดอกและผลแห่งของแฝดสิ่งนั้นก็เป็นยาวะชีวิตด้วย น้ำป่าเป็นยาที่ทรงอนุญาตนั้นคือนิมบะกะสาโวน้ำป่ากระเดากุตะชะกะสาโวน้ำป่ามูกมันปะโตละกะสาโวน้ำปาากระดอมก็ว่าขี้กาก็ว่าปักขะกะสาโวน้ำป่าบราเพ็ดกว่าขี้เหล็กก็ว่านักฆามะละกะสาโวน้ำป่ากระถินที่มานเป็นห้าสิ่ง ใบไม้เป็นยาที่ทรงอนุญาตนั้นคือนิมบะปันนังใบกระเดากุตชะชาปันนังใบมูกมันปะโตละปันนังใบกระดองก็ว่าขี้กาก็ว่าตุลัสิปันนังใบกระเพาก็ว่าแมงลักก็ว่ากัปาสิกะปันนังใบฝ้ายเป็นห้าสิ่งใช่แต่ใบแห่งของห้าสิ่งนี้อย่างเดียวก็หาไม่ แม้ดอกและผลเป็นต้นแห่งของห้าสิ่งนี้ก็เป็นยาวะชชีวิตด้วยผลไม้ที่เป็นยาทรงอนุญาตคือวิลังทงังลูกที่ลังกาสาบิพลิดีปรีมริจังพริกหริตกีสมอไทยวิเพตกังสมอพิเภกอามาละกังมะขามป้อมโกฐพลังผลแห่งโกธเป็นเจ็ดสิ่ง ยางไม้เป็นยาที่ทรงอนุญาตนั้นคือหิงคุยางไม้ที่ไหลออกจากต้นหิงคุหิงคุชฉตุยางไม้ที่เขาเอาก้านและใบแห่งต้นหิงคุมาเคี่ยวออกหิงคุสิปตาปตาิกายาที่เขาเอาใบหิงคุมาเคี่ยวออกก็ว่าและยาที่เขาเอาใบหิงคุเคี่ยวออกแล้วเจือได้ของอื่นก็ว่าตัด ก, กังยางอันไหลออกแต่ยอดไม้ ตักกะปติยางอันไหลออกจากใบไม้ตักกะปันณิยางไม้เขาคั่วใบไม้ไหลออกก็ว่ายางไม้อันไหลออกจากก้านก็ว่าสัจชุละสังกรรมยานเป็นเจ็ดสิ่งเกลือที่ทรงอนุญาตนั้นคือสามุติกังเกลือเกิดด้วยน้ําเค็มริมทะเลกาละโลนังเกลือดันสินทวังเกลือสินเทา ท่านว่าเกลือเกิดเรนบุเขาสีขาวอบพิดังเกลือทำด้วยดินฝุ่นที่เค็มแตกขึ้นจากแผ่นดินวิลังเกลือวิเศษท่านว่าเกลือหุงด้วยสารภาระทั้งปวงสีแดงก็อนแรยาหกสิ่งมีรากไม้เป็นต้นพระองค์ทรงอนุญาตชี้ชื่อดังนี้แล้วต่อไปพระองค์ปรารถนาจะแสดงนักหนกแห่งรากไม้เป็นต้นอันอื่น ซึ่งไม่มาในบาลีที่เป็นยาได้จึงกล่าวบาลีว่ายานิวาปนัญญานิปิอัติมูลานิกสาวานิปันนานิพลานิชตุนิโลนานิเพสัชชานิเนวขาดานิเยขาดนิยตถังพรันติณโภชนิเยโภชนิยตถังพรันติความว่า หรือรากไม้น้ำฝาดใบไม้ผลไม้ยางไม้เกลืออันใดสึ่งอื่นซึ่งไม่ได้ออกชื่อในบาลีย่อมไม่แผ่ไปเพื่อเป็นของเคี้ยวในของควรเคี้ยวย่อมไม่แผ่ไปเพื่อของกินในของกินเป็นยาได้มีอยู่คือว่ารากไม้เป็นต้นอันอื่นที่ไม่สําเร็จอาหารกิจกินเป็นอาหารโดยปกติของมนุษย์ในชนบทใดได้รากไม้เป็นต้นนั้น ชื่อว่าเป็นเพศัตว์ในชนบทนั้นหัวรากเง้าหนอลำต้นเปลือกดอกผลมเมล็ดแป้งยางแห่งต้นไม้เถาวัลย์ต้นหญ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ดีและเกลือสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ดีซึ่งไม่มาในบาลีและไม่สำเร็จอาหารกิจของมนุษย์ในประเทศนั้นๆั้นชื่อว่าเป็นเพศสัตว์ในประเทศนั้นๆนัน่งหัวกระดาษแดงหัวกระดาษขาวรากตา รากมะพร้าวใบสูใบบัวดอกบุญนาดอกจำปาลูกจันลูกกระวานเป็นต้นเป็นเภสัชในสยามประเทศนี้คือประเทศไทยนี่แหละรากไม้เป็นต้นดังกล่ามานี้ชื่อว่ายาวชีวิตรับประเคนแล้วเมื่อเจ็บไข้ไม่สบายอย่างใดอย่างหนึง่งฉันได้ตราบเท่าสิ้นชีพในการทั้งปวงสท้าฝสายแต่เย็นนี่ฉันได้หมดถ้าป่ว ย, ยนี้ก็ไม่มีปัญหาถ้าทาสันนิธิไว คือเก็บสั่งสมเอาไว้หรือว่าฉันในเวลาวิการเพื่อเป็นอาหารไม่ฉันเพื่อเป็นยาก็ต้องอบัตทุกกดเพราะบาลีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเบื้องปลายทุกๆเพศนัดว่าตานิปฏิกขเหตตวายาวชีวางปริหาริตุงสติปัจจเยปริพุนชิตุงอสติปัจเจยปริพุนฉันปัสสะอปติทุกกะปัสสะความว่า เราตถาคตอนุญาตให้รับรากไม้น้ำปาดใบไม้ผลไม้ยางไม้เกลือและสิ่งละสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแล้วบริหารรักษาไว้กว่าจะสิ้นชีพเมื่อมีปัจจัยคือมีเหตุให้บริโภคฉันเถิดเมื่อไม่มีปัจจัยคือเหตุฉันต้องทุกข์กฏ ด, ดังนี้แลยาวชีวังจกเรื่องของยาวะชีวิตก็คือพวกยานนั่นเองจัดแสดงในยาวะกาลิษ ของฉันที่มีอายุเพียงการคือเช้าชั่วเที่ยงก็คือพวกอาหารทั้งหลายเมื่อกล่าวยาวาการิตแล้วยาวชีวิตก็จักรู้ด้วยอีกขาด้ิยังของเคี้ยวโพชนิยังของกินชื่อว่ายาวกาลิโภชนะห้าก็คือข้าวสุก ข, ขนมกุมมาาทข้าวส ต, ตูปลาเนื้ออาวั ต, ตูก็คือขนมแห้งชื่อว่าโพชนิยะของกิน คือของควรบริโภคนั่นเองยกโภชนะห้าเสียยกพวกยามาคาลิศพวกน้ำผลไม้น้ำปณะนะสัตหาการลิศพวกน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยน้ำตาลพวกนี้แล้วก็ยาวะชีวิกก็คือพวกยาเสียอามิรนอกนั้นชื่อขาธนิยะคือของควรเคี้ยวทั้งสิน้นในของเคี้ยวที่ทำด้วยปุกพันชาติคือข้าวและด้วยอัปรันชาติคือถั่วงา ขึ้นเป็นขนมต้มเป็นต้นเหล่านี้ไม่ต้องกล่าวแม้หัวและเง้าและรากนอลำต้นเปลือกใบดอกผลเมล็ดแป้งยางแห่งต้นไม้และกอไม้ถาวรต้นหญ้าอันใดซึ่งมีคติแห่งอามิ t h แม้ของเหล่านี้ก็สงเคราะห์ว่าเป็นขาธนิยต์ด้วยแท้จะกล่าวในของเคี้ยวคือหัวก่อน หัวมันออนมันอ้ อ, ม, อ, อมันกระชติมันแดงมันเท้าเผือกระ ก, กาศเป็นต้นและมันมีใบควรต้มแกงได้ชื่อว่าเป็นคติแห่งอามิตรก็เป็นอาหารยาวากาลิกรากปล่อยในหัวเผือกที่เขาตัดทิ้งเสียเป็นยาวะชีวิตกุเป็นยาแม้รากปวอยเช่นนี้อันอื่นก็ให้พึงรู้โดยในนั้นเธอ แต่รากฝอยแห่งผักกาดท่านว่าเป็นคติแห่งอามิตรก็คือเป็นอาหารหัวขมิ้นเป็นต้นซึ่งเป็นยาวชีวิตดังกล่าวก่อนนั้นจะนับว่ารากเล็กรากใหญ่ไปก็ไม่มีที่สุดที่ไม่สําเร็จกิจเป็นของควรเคี้ยวของกินได้นั่นแหลเป็นลันกษณะแห่งยาวชีวิตคือถ้าเป็นยาแล้วก็เขาไม่ไดเอามากินเป็นอาหารกันนะนะเพราะเหตุ น, นั้นหัวรากอันใด จำเร็จเป็นของเคี้ยวของกินแห่งมนุษย์โดยเป็นอาหารปกติไม่ต้องประกอบด้วยยาวะกาลิกอื่นในชนบทนั้นนั้นหัวรากนั้นชื่อว่าเป็นยาวะกาลิกในชนบทนั้นรากหัวนอกนั้นพึงรู้ว่าเป็นยาวะชีวิตรถอะไรที่ก็ไม่ไดเอามากินกันเป็นอาหารอ น, นันต์ก็เป็นยาได้ด้วยว่าแม้ถึงกล่าวไปมากก็ต้องตั้งอยู่ในลักษณะอันนี้เองครั้นยกชื่อขึ้นกล่าวเมื่อไม่รู้จัก ชื่อก็จะหลงเพราะเหตุนั้นจะไม่เอื้อเฟือในชื่อจะแสดงแต่ลักษณะอย่างเดียวในหัวมันฉันใตแม้ในเง้าไม้เป็นต้นก็เพึงรู้วินิฉัยตามลักษณะนี้เหมือนกันเง้ามีสองคือยาวและกลมเง้ายาวและตั้นคือเง้าขัวหลวงและของกวาเป็นต้นเง้ากลมคือเง้าอุบลและแห้วเป็นต้นหัวเก่าและ เปือกและรากฝอยแห่งเงาเหล่านั้นเป็นยาวชีวิตเป็นยาแต่เงาอ่อนจะพึงเคี้ยวกินได้ดังเงาขานางทองกว้าวมะกอกและเงากรอยเป็นต้นเงาอันใดที่สำเร็จอาหารจิตปกติได้อันนั้นก็เป็นยาวการิสเป็นอาหารถ้ากรอยที่เขายังไม่ได้เอารถร้ายออกเสียเป็นยาวชีวิตคือเป็นยาเขาชําระแล้วเป็นยาวคาลิสเป็นอาหารไป เง่าบุกแดงเงาบุกขาวเป็นต้นเป็นยาวะชีวิตสงเคราะห์ในมูลเกัตรจะว่าในรากเล็กรากบัวหลวงรากบัวขาวเหมือนกันรากสับช้ยน้ำก็ดีรากอื่นที่สำเร็จอาหารกิจได้ก็ดีเป็นยาวะอาลิกรากขมิน้นขิงบรเพชเพชรสังฆารากมาเป็นต้นเป็นยาวะชีวิตสงเคราะห์ในมูลเกษตร จะว่าในหนอและยอดหนอตาลเต่าร้างจากเป็นต้นหน่ออ้อยหนอผักกาศหนอแห่งข้าเปลือกเจด็ดและหน่อยอดแห่งต้นไม้และถาวันเป็นต้นสิ่งใดที่สําเร็จอาหารกิจได้เป็นยาวาคาลิสโคนหนอเก่าแห่งหนอขมิ้นขิงกระเทียมกรดีแห่งตาลเต่าร้างหมากมะพร้าวกรดี เป็นโคนหน่อเก่าเขาตัดทิ้งเสียเป็นยาวะชีวิตเป็นยาณจะว่าในลำต้นลาต้นขานางที่ยังลงไปในดินต้นอ้อยต้นแห่งอุบลเขียวแดงกูมุดจงกนีและลำต้นอันใดที่สำเร็จอาหารกิจได้เป็นยาวะอาลิกก้านใบแห่งอุบลชาตและก้านใบแห่งปฐุมชาตทั้งปวงก็ดีและลำต้นทั้งอันเศษนอกนั้น ที่ไม่สําเร็จอาหารกิจได้เป็นยาวะชีวิตเป็นยาจะว่าในเปลือกเปลือกอ้อยสิ่งเดียวที่มีรสติดอยู่เป็นยาวะกาลิกเป็นอามิสอาหารเปลือกไม้นอกนั้นทั้งปวงเป็นยาวะชีวิตคือเป็นยาสงเคราะห์ในกาสาวะก็คือน้ําฝ่าจะว่าในใบใบมันอ่อนเป็นต้นและใบผักกาดและใบมะรุม ใบถัวเขียวใบถั่วขาวใบยอป่าใบตำลึงและใบอันใดที่สำเร็จอาหารตกิดได้เป็นยาวะตาลิกชาวลังกาว่าใบพรมมิเป็นยาวะชีวิตใบมะม่วงอ่อนเป็นยาวัตาลิกใช้กินก้ำทิกได้ใบมะม่วงอ่อนนี้เป็นอาหารไปใบตกอ่อนเป็นยาวะชีวิ ต, เ ป, าาปตเป็นย า, ะนยาจะว่าในดอกดอกมันอ่อนเป็นต้น และดอกผักกาศดอกยอป่ายอบ้านดอกอ่อนแห่งมะพร้าวและตาลและเกตดอกอุบลดอกบัวและดอกไม้ใดที่สำเร็จอาหารรกิจได้เป็นยาวะกาลิกก็คือเป็นอาหารดอกโศกดอกพิกุลดอกบุญนาคจำปาเป็นต้นเป็นยาวะชีวิตเป็นยาสงเคราะห์ในกาสาวะเพัดจะว่าในผล ผลขนุนสาเกตาลมะพร้าวมะม่วงชมพู่เป็นต้นและผลอื่นที่สําเร็จอาหารกิจได้ก็เป็นยาวกคตาลิกเป็นอาหารผลแห่งลูกจันและลูกกลายและผลที่ไม่สําเร็จอาหารกิจได้ก็เป็นยาวัชีวิบเป็นยาไปจะว่าในเมล็ดเมล็ดสมรอและเมล็ดขนุนและเมล็ดมาต่อเป็นต้นและเมล็ดอื่นที่สําเร็จอาหารกิจได้ก็เป็นยาวกคตาลิกเป็นอาหาร มเมล็ดบุญนาคสมอเป็นต้นแล ะ, มะเมล็อื่นที่ไม่สาเร็จอาหารกิจได้ก็เป็นยาวะชีวิตก็เป็นยาไปสงเคราะห์ในผลละเภสัชจะว่าในแป้งแป้งแห่งข้าเปลือกเจ็ดกับทั้งอนุโลมและแป้งแห่งถั่ว ง, งาเป็นต้นและแป้งแห่งขนุนแป้งสาเกมะกอกแป้งตาแป้งกลอยที่ชําระแล้วและแป้งอื่นที่สําเร็จอาหารกิจได้ก็เป็นยาวะตลิก แป้งตาลแป้งกลอยที่ยังไม่ได้ชมรักรดร้ายเป็นยาวะชีวิตสงเคราะห์ในน้ำาฝาและรากและผลซึ่งมาในบาลีจะว่าในยางยางอ้อยอย่างเดียวเป็นสัตหกาลิขยางไม้นอกนั้นเป็นยาวะชีวิตสิน้นสงเคราะห์ในชตุเพตัดหัวและเง่าเป็นต้นซึ่งเป็นยาวะกาลิกดังกล่ามานี้สงเคราะห์ในขาธนยิยะของกวนเคี้ยว ของคนเคี้ยวนะโพชนิยะของกินนี้ชื่อว่ายาวะกาลิฉันได้เช้าชั่วเที่ยงบ่ายแล้วไปฉันเข้ากับเป็นปาจิตตีรับประเคียนแฟนคืนไว้ก็เป็นสันนิธิถัดขืนฉันเข้าไปก็อาบัติปาจิตตีอีกยาวะกาลิ ก, กัดจบยาวะกาลิกพวกอาหารเทัางหลาต่อไปจะแสดงในยามะกาลิกน้ําดื่มแปดอย่างเรียกว่าอัฏฐบาล อัฐปานะก็คืออย่างแรกอัมค่าปานังน้ำทําด้วยผลมะม่วงดิบหรือสุกอย่างที่สองชมพู่ปานังน้ําทําด้วยผลว่าเพราะว่าผลชมพูก่กพว่าอย่างที่สามโจจะปานังน้ําทําด้วยผลกล้วยมีเมล็ดอย่างที่สี่โมจะปานังน้ําทําด้วยผลกล้วยไม่มีเมล็ด อยที่ห้ามะทุปานังน้ำทำด้วยชาติรสแห่งมาซางอย่างที่หกก็มุดิกะปานังน้ำทำด้วยผลจันทร์ก็ว่าผลอุ่นก็ว่าอย่างที่เจ็ดก็สารุกัปปานังน้ำทำด้วยรากเง้าแห่งอุบลแดงอุบลขาวเป็นต้นอย่างที่แปดผารุสกะปานังน้ำทำด้วยมะปรางก็ว่าปรินจีก็ว่าอัฐบาลคือน้ำดื่มแปดอย่างนี้ชื่อว่ายามะตาลิก มียามหนึ่งเป็นการคือมีอายุเพียงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นยามสุดท้ายนั่นแหละประกอบที่ยามสุดท้ายจะว่าด้วยวิธีทำน้ำมะม่วงก่อนเมื่อจะทำด้วยมะม่วงพึงทุบต่อยมะม่วงอ่อนแช่ลงในน้ำแล้วพึง่งพึ่งแดดไว้ให้ตกด้วยแสงอาทิตย์แล้วกรองเสียประกอบน้ำพึ่งน้ำตาลกรวดกระบูรเป็นต้นที่รับประทนในวันนั้น เข้าด้วยแล้วทำเถิดทำเองควรในปุเรพัทคือเช้าอย่างเดียวแต่อนุสัมบัณฑ์ทำได้มารับรเคหนในปุเรพัตแม้บริโภคกับอามิต h ในปุเรพัรก็ควรในปัจฉพัทควรบริโภคปราบจากอามิต h ตราบเท่าอารุณขึ้นมาในน้ำชมพูเป็นต้นก็เหมือนกันอย่างนั้นแต่มัุปานะทาด้วยมาซาง น, นั้นเจือด้น้ท่าจึงควร แต่น้ำมาซางล้วนไม่ควรต้องเชือน้ำนะจะเป็นมะุ ป, ปานะทำได้มาซางด้วยในอัตถกถาว่ามะุปานันติมุติกานังชาติรเสนะกะตะปานังตังปณนะอุตกะสมพินนังวัตติสุทังนัวัตติดังนี้มุติกาปานังโบราณว่าน้าลูกจันแต่ชาวลังกาว่าน้ำลูกอางุนถ้าเป็นน้ำลูกอางุนแล้วไซควรแต่น้าสด น้ำอางุลเช่นชาวยุโรปมีอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นต้นเขากินอยู่เป็นเมรัยไม่ควรควรแต่น้ำสดสมกับคำในอัตกราว่ามุตติกาปา น, นติมุตติกาอุดะเกมัดติตวาอันภะปานังวิยกะกตะปานังดังนี้อัฐบานเหล่านั้นแม้เย็นหรือสุกด้วยแสงอาทิตย์ควรอยู่สุกด้วยไฟไม่ควร แต่ว่าท่านก็ไม่ได้แสดงอาาับัตเอาไว้ท่านเพียงแต่บอกว่าไม่ควรเพราะว่านี้เป็นคาของอัตถกถาถ้าเป็นการบอกว่าไม่ควรแต่ว่าเป็นพระบาลีพุทธพจน์ตรัสไว้ถ้าไม่ควรที่เป็นพระพุทธพจน์นั้นถ้าล่วงละเมิดเป็นอับัตทุกกฎอัตถกถาก็แสดงว่าเป็นอับัตทุกกฎแต่ว่าถ้าไม่ควรของอัตถกถานี่ท่านดีกาการก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอับัตทุกกฎอะไรหรอกเพียงแต่ ว, ว่าไม่เหมาะสมไม่ควร อนหนึ่งพระองค์ทรงอนุญาตว่าอนุชานามิพิกเวเข้อความละสบับบางภะระสังทเปตวาทัญญะภะระสังอนุชานามิพิกเวข้อความละสับบางปัตะระสังทเปตวาดาการะสังอนุชานามิพิกเวข้อความละสับบางปุพหะระสังทเปตวามัทุกกะปุภะระสัง อนุชานามิพิท เ, เขว์ก็ความละปุดฉุระสังความว่าเราตถาคตอนุญาตรดแห่งผลไม้ทั้งปวงจกเสียแต่ผลข้าเปลือกเจ็ดเสียอันหนึ่งเราตถาคตอนุญาตรดแห่งใบไม้ทั้งปวงยกรดแห่งผักสุกเสียอันหนึ่งเราตถาคต อ, อนุญาตรดแห่งดอกไม้ทั้งปวงจกแต่ดอกมาสางเสียอันหนึ่งเราตถาคตอนุญาตรดแห่งน้ำอ้อยสด ข้อซึ่งอนุญาตรถบแห่งผลทั้งปวงยกแต่รถแห่งผลข้าเปลือกเสียนั้นจักรู้แจ้งในมหาประเทศสี่ข้างหน้ารถของข้าเปลือกนั้เป็นอาหารข้อซึ่งอนุญาตรถใบไม้ทั้งปวงยกแต่ใบผักตกเสียนั้นด้วยว่ารถแห่งใบไม้ที่เป็นยาวาัคคลิควรแต่ปุเรพัดอย่างเดียวรถบแห่งใบไม้ที่เป็นยาวัชีวิต เขาทําให้ตุกคนกับเนยใสเป็นต้นที่รับประเคินเก็บไว้นี้ควรเจ็ดวันถ้าเป็นน้ําที่เป็นยาวัคคริตของใบไม้ที่เป็นยาวัคคริกควรได้เจดวันแต่ถ้าเป็นน้ําของใบไม้ที่เป็นยาวัคคริตเป็นอาหารควรแต่ปุเรย์พัดเท่านั้นพวกน้ําผักผสมพวกนี้ก็เป็นพวกยาวัคคาริตไปก็ควรคอนเที่ยงเท่านั้นแต่ถ้าเป็นน้ําผักที่เป็นยาวชีวิตก็ควรเจ็ดวัน ถ้าแลเขาให้ตกด้วยน้ําท่าล้วนควรตราบเท่าสิ้นชีวิตจะเป็นน้ํายาวชีวิตน้ําผักที่เป็นยาวชีวิตถ้าให้ตุกด้วยน้ําน้ําเท่านั้นไม่ใช่เนใสเพราะเนใสก็เจ็ดวันถ้าสุกด้น้ําท่าควรเท่าตราบสิ้นชีวิตเลยจะต้มรสแห่งใบไม้เป็นยาวชีวิตกับนมสดเป็นต้นไม่ควรแม้เขาต้มกับด้วยของอื่น ถึงซึ่งเรียกว่าเป็นรถแห่งใบผักสุกแต่ในอัตถกฐากุรัทีกล่าวว่ารถาก็คือน้าแห่งใบไม้แม้เป็นยาวะตติศเขาขยันด้วยน้ำเย็นทรมาหรือให้ตุกด้วยแสงอาทิตย์ก็ดีควรอยู่ข้อซึ่งอนุญาตรถแห่งดอกไม้ทั้งปวงยกรถแห่งดอกมะสางเสียนั้นรถแห่งดอกมะสาจะสุกด้วยไฟหรือว่าสุกด้วยแสงอาทิตย์ก็ตาม ไม่ควรในปัะฉาพัดรถมะซางอันใดที่สุกแล้วเขาถือเอาทาเป็นน้ำเมารถนั้นแต่เดิมไปแม้ในกรพัดก็ไม่ควรกันทำเป็นน้าเมาแลนะแต่ดอกมะซางจะสดหรือว่าแห้งหรือว่าเขาขั่วแล้วกว็ดีหรือว่าผานิชน้าตาลเลยนะเขาทำด้วยดอกมะซางหรือดอกมะซางแผ่นแต่จริงใดไป เขาไม่ได้ทําน้ําเมาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมควรในปุรีพัทอย่างเดียวน้ําอ้อยสดซึ่งทรงอนุ ญ, ญ, ญาตนั้นไม่มีกาควรในปัจฉาพัทพระองค์เมื่อทรงอนุ ญ, ญ, ญาตปานะน้ําดื่มพระองค์ได้ทรงอนุ ญ, ญ, ญาตรดแห่งผลและใบและดอกและอ้อยสี่นี้ด้วยด้วยประการดังนี้ในดีกาวิมติวินโนทนีว่าซึ่งกล่าวน้ําอ้อยสดไม่มีกา ในยามะกาลิกถานั้นกล่าวโดยสามัญว่าเป็นของจะพึงดืม่มแต่ให้พึงถือเอาว่าน้ำอ้อยสดนั้นเป็นสัตตหการิกเิดน้ำอ้อยสดนี้ก็มีอายุได้เจ็ดวันนะเป็นสัตหการิกไม่ใช่เป็นยามะกาฤกษ์แต่ว่าก็เอาไว้ดื่มได้เหมือนกันแต่ว่าได้เจ็ดวันเลยยามะกาลิกนี้รับประเค้นแล้วฉันได้แต่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งอรุณใหม่ขึ้นมาเป็นสันนิธิฉันเป็นทุกกด าอารุนขึ้นมานี่ก็เป็นฉันนิทิสแต่ว่ายังไม่มีอบัตถ า, ามาฉันนี่ก็อบัตทุกกดแต่ว่ามันยังไม่ได้ขาดสะเทนเพราะฉะนั้นก็มีอบัตทุกกดยามาการิ ก, กัรจบวันนี้ก็สมควรกับเวลาเดี๋ยวสัตหการิคเอาไว้สอนวันรุ่งขึ้นกันแล้วกันก็ฝ่ายท่านได้มีอุปริสัยในการที่จะเอื้อเฟื้อต่อพระวินัยบรรยัญญัติเกื้อกูลแก่การที่อบรมตใจศกขาเพราะว่าติณก็เป็นบาตแห่งสมาธิ สมาธิก็เป็นปัจจัยแก่ปัญญาก็ก่องให้ตรายสิกาประชุมพร้อมในจิตใจของท่านเพื่อความบริบูรณ์คือความสมัครคีแห่งอริยมรรคโยงแปดด้วยการตรัสรู้เป็นสาวกของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าในการนินเนินช้าด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ